และอยากได้สตางค์มากกว่าอยากได้ความรู้สึกดีๆทำๆไปด้วยใจเมตตากรุณาจนจิตตั้งมัน่นรู้สึกถึงการเป็นยิ่งกว่าหมอรักษาโรคขึ้นมาจริงๆเมื่อไรคุณจะพบว่าทุกอย่างตามมาเองนับแต่กระแสความอบอุ่นกระแสความเป็นที่พึ่งซึ่งแค่คนไข้มาอยู่ใกล้คุณเขาก็อาจรู้สึกเหมือนหายป่วยไปนิดนึง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 ให้พ้นจากปากเหวแห่งนรกได้ทัน